วันนี้จะขอพูดธรรมะที่มีเลขสามเป็นตัวเกี่ยวข้องคำว่าสามนี้ในภาษาของพระเรียกว่าไตรไตรแปลว่าสามไตรที่พวกเราควรที่จะรู้กันอันดับที่หนึ่ง ก็คือพระลัตะนาไตาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นผู้ที่จะให้ความรู้แก่พวกเราวิธีที่เราจะได้ความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็ต้องไปที่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็เป็นที่บรรจุคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้แบ่งเป็นสามปีฎกคำว่าปีฎกนี้แปลว่าตะกรา้าแบ่งความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงดแสดงสั่งสอนไว้สี่สิบห้าปีด้วยกันแบ่งไว้สามแผนด้วยกันสามตะกรา้า มีพระวินัยปิดกความรู้เกี่ยวกับคํากับข้อศีลของพระของพระภิกษุภิกษุณีเป็นเรื่องของศีลเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆอยู่ในวินัยปิดกพระสูตรตัณฑ์ปีดกเป็นทศสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในเวลาต่างๆจะมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าไปทับอยู่ที่ไหนแสดงธรรมให้กับใครฟังทำที่แสดงนั้นมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้จะบัรจุไว้ในพระสุตตันตปิฎกแล้วก็ปิฎกที่สามก็คือพระอภิธรรมปิฎก อันนี้จะเป็นธรรมะล้วนๆหัวข้อธรรมะที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวว่าทรงแสดงไว้ที่ไหนอย่างไรเช่นไตรลับตรสิกขาอะไรต่างๆเหล่านี้จะอยู่บรรจุไว้ในพาอภิธรรมปิดกนี้คือไตรที่สองที่พวกเราชาวพุทธ ควรจะรู้จักกันคือรู้จักพระไตรปิฎกเราอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องไปเรียนที่พระไตรปิฎกเพราะเป็นแหล่งของความรู้ที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวากขาโตภะกวตาธรรมโม ทำที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วได้ถูกบรรจุเก็บได้ถูกบันทึกเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเป็นชาวพุทธไม่รู้จักพระรันตนตรัยไม่รู้จักพระตไตไรปิฎกก็ไม่ถือว่าเป็นพุทธแท้พุทธแท้นี้ต้องรู้รู้จักพระรันตนตรัยเพราะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธพระรัตนตัยเป็นส่วนประกอบต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําคสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าชาวพุทธเราควรจะรู้เรื่องสามนี่สามตัวเลขสามนี้เป็นตัวเลขเด็ดของศาสนาพุทธนะ ไม่ใช่ตัวเลขเด็ดของหวยแต่เป็นเลขเด็ดจริงๆเลขสาคัญจริงๆถ้ารู้เรื่องสามเนี่ยในพระไตรในเรื่องสถิตของสามที่มีอยู่ในพุทธศาสนานี้เราจะได้รับประโยชน์มาขั้นขั้นที่หนึ่งต้องรู้จักพระรัตนตรัยขั้นที่สองต้องรู้จักพระไตรปิฎกนะ พอรูพอไปศึกษาจากพระไตรปิฎกเราก็จะได้รู้จากาตายภพเนี่ยตายภพตายภพคืออะไรก็ภพที่ดวงวิญญาณของพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี่เองแบ่งเป็นสามภพมีกามภพรูปภพและอรูปภพแล้วก็เหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิด ในกามาพบก็มีสามอีกเหมือนกันก็มีตัณหาทั้งสามกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเรามีกามะตัณหาเราอยากจะเสพกามเนี่ยภาวะากามแปลว่ารูปเสียงกดลดิ่นรสผลตภะตัณหาแปลว่าความอยากอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากจับต้องสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภเรียกว่ากามาตหาถ้ามีกามาตหาก็จะเวียนว่ายตายเกิดในกามพภพแล้วก็ถ้ามีภาวะตันหาคืออยากจะเสพรูปประชานก็จะไป เวียนไหวตายเกิดในรูปภพปถ้ามีวิภะวะตัณหาความอยากไม่มีอะไรก็จะเสพ อ, อารูปฌานเศบรูปฌปานก็จะไปติดอยู่ในอรูปภพป น, นี่คืออีกสามตายกับ ตันหาทั้งสามคือกามะตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาทำให้ดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนนี่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพในอรูปภพนะครับแล้วก็ถ้าศึกษาต่อไปก็จะรู้ว่าถ้าเราอยากจะออกจาก เราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพเพราะเวียนว่ายตายเกิดในตายภพมันไม่ดีมันเป็นทุกข์เพราะไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายตเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้ร้องกันทุกคนไม่มีใครโหรอกกันถ้าไม่อยากจะต้องมาเจอการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แบบไม่มีวันสิ้นสุด ก็ต้องไปเรียนไตศึกษาไตศึกษาแปลว่าไตศึกษาคำว่าศึกษาก็คือวิชาความรู้การเรียนความรู้สามชนิดด้วยกันเรียนอะไรที่เรียกว่าไตศึกษาก็เรียนศีลสมาธิปัญญาเรียนไตรักนี่มะอันนี้จังทุกขังอนัตตา ถ้ามีศีลสมาธิปัญญามีไตรักก็จะหลุดพน้นหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะหลุดพน้นจะบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ที่พระนิพพาน น, านี่คือเรื่องของธรรมะที่มาเป็นสาม ที่พวกเราควรที่จะศึกษาทำความรู้จักแล้วจะนำให้เราไปสู่การกระทาทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นสามอีกให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้นี่คือเรื่องของธรรมะที่มีเลขสาม คำว่าสามในภาษาพระนี้เรียกว่าไตไต่แรกที่เราต้องรู้จักต้องศึกษาให้รู้อย่างแจ้งชัดว่าเป็นอะไรก็คือพระรัตนะไต่รัตนะนี้แปลว่าแก้วหรืออัญญมณีที่มีคุณค่าราคาเช่นเพชรนินจินดาต่างๆ นี่เรียกว่ารัตนะแปลว่าแก้วเราเปรียบเทียบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นเหมือนอัญญามณีที่ล้าค่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีคุณค่ามากกว่าอั ญ, ญามณีคือพวกเพชรดินจินดาหลายล้านเท่าด้วยกันเราเคยเห็นเพชรเม็ดเท่า เท่าคำปั้นไหมคิดดูถ้าเม็ดเท่าคำปั้นนี้จะราคากี่หมื่นล้านกันขนาดเพชรเท่า เ, เม็ดข้าวนี้ก็ราคาเป็นแสนแล้วถ้าไดเ้เท่าเม็ด เ, เม็ดใหญ่ๆเม็ดโตๆตนี้ราคาเป็นล้านขึ้นไปนแต่เพชรเหล่านี้สู้เพชรของพระรัตนาตรัไม่ได้เพราะว่า ต่อให้มีเพชรขนาดไหนก็ตามมีราคากี่หมื่นล้านกี่แสนล้านก็ตามก็ไม่ซื้อสิ่งที่พระรัตนไตายซื้อได้เนะ่สิ่งที่พระรัตนไตายซื้อได้ก็คือวิมุตติการหลุดพน้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตพภพนี้เองเนะี่ย พวกเราถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าพวกเราตอนนี้มีสถานะภาพเป็นอะไรสถานะสถานภาพของพวกเราตอนนี้ก็คือคนติดคุกนี่เองติดอยู่ในคุกตารางของตายภพของกามภพของรูปภพของอรูปภพเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพนี้มานานแสนนาน และจะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้ต่อไปยังไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาเจอพระรัตนตรัยถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และบอกให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เราต้องมาติดกับการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไม่อยากจะติดกับการเวียนว่ายตายเกิดเราก็กําจัดไอ้สิ่งที่มันพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองสิ่งที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามะทั้งตัณหาทั้ง3ความอยากทั้ง3ความอยากเสพกามทําให้เราติดในกามมาพบความอยากเสพรูปประจานที่ว่าพาให้เรามาติดใน รูปภพนะความอยากเสพอารู ป, ประชานก็พาให้เรามาเด็ดในอรู ป, ปรภพนะนี่แหละสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอันดับแรกก็รู้เรื่องราวของเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันเราเป็นคนที่มีอิสระภาพอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่า เพเราทุกคนอาจจะคิดว่าเ้ยตอนนี้เราไม่ได้ติดคุกติดตารางเราจะไปไหนก็ไปได้จะทําอะไรก็ทําได้อใช่แต่มันเป็นคุกตารางที่ใหญ่กว่าคุกที่เราเห็นกันคุกตารางที่เราเห็นมันเป็นคุกเล็กๆ เ, เป็นอคอกเล็กๆ เ, เห็นกําแพงกั้นอยู่เรารู้ว่าเป็นคุกนแต่คุกที่พวกเราติดอยู่นี้มันกว้างใหญ่ไพศาล มันทำให้เราคิดว่าเราไม่ได้ติดคุกติดตารางกันเพราะเราไม่รู้กันว่าเราเป็นอะไรเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ร่างกายมีอิสระภาพจะไปไหนมาไหนก็ได้แต่มันไปไม่ได้หรอกมันติดอยู่ในกำแพงสี่ด้านร่างกายมันก็มีคุกของมันอยู่ ที่เรามองไม่เห็นกันท่านั้นเองกำแพงที่ล้อมร่างกายอยู่สี่ด้านก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่กาแพงด้านหนึ่งก็คือเกิดกำแพงด้านที่สองก็คือเจ็บแก่ขั้นที่สามก็คือเจ็บขั้นที่สี่ก็คือตายเนี่ยเนี่ยเราพอมาเกิดปั๊บเนี่ยก็มาติดคุกในคุกที่มีกาแพงสี่ สี่ด้านนี้เกิดแก่เจ็บตายแล้วพอตายแล้วเราอาจจะคิดว่าเราจบนะพอร่างกายตายไปแล้วเราตายไปกับร่างกายแล้วถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระรัตนาตายัยจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะคิดว่าเราศูนย์พอร่างกายตายไปเราก็จบเราก็อันตรทานหายไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นดวงวิญญาณที่มาขี่ร่างกายอันนี้เหมือนคนขี่มา้าคนขี่ม้านี่เวลาม้าตายคนขี่ไม่ได้ตายไปกับมา้าคนขี่ อยากจะขี่ม้าต่อก็ต้องไปหาม้าตัวใหม่มาขี่นะเรามาขี่ร่างกายเพราะเราอยากให้ร่างกายพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆนั่นเองเรายังอยากดูอยากฟังอยากริมรสอยากดมกลิน่นอยากตับจับต้องสิ่งต่างๆ เราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับเราอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนสมัยก่อนก็ต้องขี่ม้ากันถ้ามีม้าก็เดินทางสะดวกสบายไม่ต้องเดินขี่บนมา้าให้ม้าพาเราไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่มาขี่ร่างกาย เวลามาขี่ร่างกายดวงวิญญาณก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงจิตดวงใจไปเท่านั้นเองแต่เป็นตัวเดียวกันตัวดวงจิตดวงใจคืออะไรก็ตัวที่คิดตัวที่รู้อะไรต่างๆนี่แหละคือตัวจิตตัวใจร่างกายมันไม่รู้อะไรนะถึงแม้มันจะเห็นภาพแต่มันไม่รู้ภาพที่มันเห็นว่าเป็นภาพอะไร เสียงที right. ่มันได้ยินมันไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเหมือนกล้องที่มากับมือถือนี่มันเห็นภาพเนี่ยมันถ่ายภาพได้แต่มันไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรที่มันถ่ายเสียงที่มันบันทึกมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายไม่มีความรู้ไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้นมีเทียงแต่รับภาพรับเสียงเข้ามา ทางตาหูจมูกริ้นกายเท่านั้นเองผู้ที่รู้นี่แหละก็คือดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจนี้เองนอกจากรู้แล้วยังแถมคิดได้เป็นทั้งผู้รู้และเป็นทั้งผู้คิดทำไมต้องคิดเพราะต้องใช้ความคิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรนั่นเอง ร่างกายจะทำอะไรได้นี่ต้องรอคําสั่งจากผู้รู้ผู้คิดก่อนเช่นวันนี้ญาติโยมต้องคิดก่อนหรือเปล่าว่าจะมาที่นี่ถ้าไม่คิดนี่มาที่นี่ไหมไม่มาเมื่อวานนี้ไม่ได้คิดมาที่นี่กันใช่ไหมเลยไม่ได้มาที่นี่กันเมื่อวานนี้คิดไปไหนนะก็ไปที่ที่ญาติโยมไปที่เมื่อวานนั่นแหละต้องคิดก่อน ต้องรอคำสั่งก่อนร่างกายถึงจะทำตามคำสั่งได้พอใจสั่งให้บอกว่านี่มาวัดเนี่ยพอถึงเวลาดูนาฬิกาโอยต้องออกเดินทางแล้วก็รีบขึ้นรถกันขับรถกันเตรียมข้าวเตรียมของอะไรกันไว้ขนข้าวขนของขึ้นรถออกเดินทางกันมา อ, อันนี้ ร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งเหมือนเหมือนม้าที่คอยรับคําสั่งคนขี่คนขี่บอกให้ม้ายืนเฉยๆมันก็จะยืนเฉยๆบอกให้มันวิ่งมันก็วิ่งบอกให้มันเดินมันก็เดินบอกให้มันไปทางซ้ายมันก็ไปทางซ้ายบอกให้มันไปทางขวามันก็ไปทางขวาบอกให้มันหันกลับมันก็หันกลับะบอกให้มันเดินถอยหลังมันก็เดินถอยหลัง นี่คือร่างกายของพวกเราเป็นเหมือนม้าตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ต้องรอรับคำสั่งจากคนขี่คนขี่คือจิตใจของพวกเราเรานี่แหละเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราก็คือจิตใจนี้เองจิตใจผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเพราะใจรู้ว่าใจอยากได้อะไร ใจอยากได้รูปก็สั่งให้ไปหารูปมาดูใจอยากได้เสียงก็สั่งให้ไปหาเสียงมาฟังนะที่เราไปดูหนังกันไปก็พอเราอยากดูอยากฟังดูละครใช่ไหมพอถึงเวลาดูละครเราก็เปิดทีวีเปิดโต้โดนภาพก็มาเสียงก็มา นี่แหละผู้ที่เสพรูปเสียงกิรลดนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่เสพรูปเสียงกิรลดนี้คือผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจก็จะเสบอย่างนี้ไปจนถึงวันตายเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เสบนี้มันไม่ให้ความอิ่มความพอ น, นั่นเองมันกลับให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไป ได้ดูหนังตอนนี้แล้วเดี๋ยวอยากจะดูตอนที่สองต่อนะดูเรื่องนี้จบแล้วมีหนังตัวอย่างมีเรื่องใหม่มาให้ดูอีกแล้วมันทำไมไม่อิ่มไม่พอทักงทีเพราะนั่นคือธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่มีวันที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอได้มันก็เลยทำให้ใจต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอยู่เรื่อยๆ เหมือนยาเสพติดไหมยาเสพติดนี่เสพแล้วพอมหมไม่พอใช่ไหมเสพแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสพอีกพอเดี๋ยวเดียวตอนที่เสพไปใหม่ๆอตอนนั้นนิ์ยายังอยู่ในร่างกายอยู่มันก็อิ่มหนำสำลานเดี๋ยวพอนิ์ยาห า, ายไปแล้วทีนี้หิวขึ้นมาอีกแล้วอยากขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องเสพอีกแล้ว นี่มันมีปัญหาถ้าเกิดมันไม่เสพไม่ได้ตอนนั้นนะ่มันจะเป็นปัญหาเวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพมันเป็นยังไงหงุดหงิดไหมคนที่เคยติดอะไรเนี่ยเอาติดกาแฟติดขนมติดแฟนติดอะไรก็ตาม เ, เวลาขาดสิ่งที่ติดแล้วเป็นไงเหมือนขาดลมหายใจหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น มันมีพิษมีภัยตามมาการที่เรามาเสพรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆเนี้ถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันให้ความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอมันทําให้เราหิวกับรูปเสียงกลิ่นนสดอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถเสพได้เนียเวลานั้นมันจะพ่นพิษใส่เราล่ะเวลานั้นจะเป็นเหมือนคนติดยาแล้วไม่มียาเสบเนีย ก็จะเป็นยังไงภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าลงแดงอย่างเงี้นอนดิ้นดูคนติดเหล้าคนที่มีแฟนเป็นคนติดเหล้าคงจะเห็นนะฤทธ์ของเวลาติดเหล้าแล้วไม่มีเหล้ากินเป็นไงอารวาดไหมนี่แหละคือโทษของการเสพยาโทษของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสถึงแม้ว่ามันจะให้ความสุขกับเรา มันก็จะพ่นพิษใส่เราเวลาที่เราไม่สามารถเสพมันได้แล้วมันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะเสพไม่ได้เช่นอยากไปเที่ยวเหมือนไม่มีเที่ยวจะไปได้ไหมไม่ได้หรือมีเงินเที่ยวแต่ร่างกายไม่สบายไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดร่างกายมันพิกลพิการยิ่งไปใหญ่เป็นอามาพึ่อามภพาดขึ้นมา หรือไม่สบายนอนบนเตีองอยงนี้แล้วมันจะไปหาความสุขจากอะไรอันนี้แหละเป็นพิษของการติดรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆที่ทำให้เรานี้ต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วพอร่างกายนี้ตายไปผู้ที่เสพนี้ไม่ใช่ร่างกายใช่ไหม ร่างกายตายไปแต่ผู้ที่เสพยังอยากเสพอยู่หรือเปล่าก็ยังอยากเสพอยู่เพอตอนที่ร่างกายเจ็บไา้ได้ป่วยก็มันก็ยังมีความอยากเสพอยู่พอร่างกายตายไปมันก็เหมือนกันมันไม่ได้มาทำให้ความอยากเสพรูปเสียงกินลดหายไปเพราะมันไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากเสพนี่ มันอยู่ในจิตใจหรืออยู่ในพอร่างกายตายไปมันก็กลายเป็นดวงวิญญาณขึ้นมาดวงวิญญาณที่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสในโลกทิพต์ต่อในโลกทิพ์ก็มีรูปทิพสียงทิพกลิ่นทิพต่างๆให้เสบก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือจะไปหาร่างกายอันใหม่มาเสบต่อ แต่ช่วงที่ไม่มีร่างกายเสพก็เลยต้องอาศัยรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่ได้บันทึกเอาไว้ในใจนั่นแหละนะเวลาเราไปทําอะไรต่างๆนี้มันบันทึกไว้ในใจนะเหมือนเหมือนเครื่องตัวสับมือถือเนี่ยเห็นภาพอะไรก็กดแชะมันก็เก็บไว้ในเครื่องได้ยินเสียงอะไรบันทึกไว้มันก็เก็บไว้ในเครื่องเนะี่ยใจเราเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องบันทึกไปในตัวด้วยนะ เราไปทําอะไรสัมผัสรูปเสียงกิดรดชนิดไหนมีความรู้สึกแบบไหนมันบันทึกเอาไว้ในใจหมดแล้วพอเวลาไม่มีร่างกายเวลาที่ไม่สามารถหารูปเสียงกิดลดผ่านทางร่างกายได้มันก็เอาของที่บันทึกไว้ในใจเนี้มามาเสพแทนเช่นเวลาเรานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับก็เหมือนกับเราไม่มีร่างกาย ตอนนั้นร่างกายไม่ทาไม่ใช้งานไม่ได้น่างกายไปไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เราเสพไม่ได้ตอนนั้นเราก็อาศัยเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้บันทึกไว้ในขณะที่เราตื่นนั่นแหละมาเสพต่อเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมโนภาพมโนภาพเราก็เรียกว่าความฝัน แต่เชื่อไม่ว่าเราไม่รู้ว่าเราฝันนะตอนที่มันมีมโนภาพปรากฏขึ้นมาเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฝันดีฝันร้ายเราจะมารู้ว่าฝันก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาตอนที่เรากลับเข้ามาในร่างกายช่วงนั้นนะเราไปอยู่ในโลกทิพย์ชั่วคราวช่วงที่ร่างกายนอนหลับ ถ้าชวงนี้มันนอนดับเราไม่สามารถใช้ร่างกายคือตาหูจมูกบิ้นกายไปหารูปเสียงกดลิ่นดตมาเสพได้แต่เรายังหิวกับรูปเสียงกดลิ่นรตอยู่เราไม่อยากจะลงแดงเราก็เลยต้องอาศัยรูปเสียงกดลิ่นรตที่เราได้บันทึกเอาไว้ตอนที่เราตื่นนั่นแหละมาเสพแทน แล้วรูปเสียงกลิน่นรสที่เราไปบันทึกก็มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราไปทำเนี่ยงทีเราก็ไปทำกิจกรรมดีเราก็เรียกว่าบุญเราไปทำกิจกรรมไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปเนยมันก็บันทึกเอาไว้หมดนะทั้งบุญทั้งบาปนะแล้วทีนี้ใครจะมาปรากฏให้เราเห็นตอนที่เรานอนหลับก็อยู่ที่ว่าอันไหนมีมากกว่ากัน อันไหนมีกาลังมากกว่ากันถ้าบุญที่เราทำมีมากกว่าบาปบุญมันก็จะเอาโมโนภาพของบุญมาฉายให้เราดูถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปมันก็จะเอาโมโนภาพของบาปมาฉายให้เราดูเราจึงฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างใช่ไหมนี่แหละคือหนังตัวอย่างที่เราจะ ไปดูตอนที่ร่างกายตายจริงๆตอนที่ร่างกายหลับนี่เรียกว่าตายชั่วคราวตายเพียงเจ็ดแปดชั่วโมงก็เต่นขึ้นมาช่วงนั้นเราก็เหมือนดูหนังตัวอย่างที่เราได้บันทึกเอาไว้ในใจของเราว่าจะเป็นหนังดีหนังอะไรมีหลายชนิดหนังบู๊หนังหวานหนังหวาดเสียวหวาดกลัวหนังสงครามหนังอชาชญยกรรม หนังตื่นเต้นหวาดเสียวหนังร้างแค่น้าคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราบันทึกหนังอะไรไว้ตอนที่เราตื่นเนี่ยตอนที่เราไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเรากำลังไปบันทึกเรื่องต่างๆแล้วเป็นเหมือนกับบริษัทถ่ายทำหนังใช่ไหมเนี่ยตาหูจะบุกลิ้นกายล้วเนี่ย เป็นเครื่องไปถ่ายเราไปทำอะไรบันทึกไว้หมดในใจเราเลยถึงแม้เราจะจำไม่ได้ก็ตามแต่เวลานอนหลับมันกลับไปจำได้นะเวลาเป็นนอนหลับมันโผล่ขึ้นมาเป็นขบวนเลยเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนี่แหละคือช่วงที่เวลาเราไม่ได้ใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เราเสพแต่ใจเรายังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เมื่อไม่มีภาพสดให้ดูก็ดูภาพบันทึกใช่ไหมเหมือนเรามีเครื่องวิดีโอบันทึกภาพต่างๆไว้ภา พ, พยนตร์ไว้เปอร์ว่าไหนไม่ไม่มีภา พ, พยนตร์ที่จะดูเราก็เอาภา พ, พยนตร์ที่เราบันทึกไว้มาดูแทนอันนี้ก็แบบเดียวกันนะตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่ร่างกายตายไป ใจที่ยังหิวกับรูปเสียงกินลดใจที่ยังอยากจะดูหนังอยู่มันก็ต้องหาเอาหนังที่บันทึกเก็บไว้มาเปิดดูนั่นเองมาฉายดูดังนั้นเวลาเรานอนดับเนี่ยมันจะเป็นบอกลางให้เรารู้ว่าเราจะได้ดูหนังแบบไหนเราจะฝันดีแล้วฝันลาย แล้วเวลาเราตายเนี่ยเวลาที่ร่างกายตายนะตอนนั้นเราเราจะดูเรื่องจริงเรื่องยาวเลยไม่ใช่แค่เจ็ดแปดชั่วโมงไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีบางทีวันไปเรื่อยยาวไปเรื่อยตื่นเต้นหวาดเสียวหวาดกลัหวหวิหวโหยเลิศสุขสบายสนุกสนานเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่เราไปบันทึกไว้ในขณะที่เราตื่นนะเพราะเราบันทึกไว้เยอะนะวันวัหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยนะ บันทึกไว้แทบตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยอ่สิบหกชั่วโมงนอนแปดชั่วโมงอีกสิบหกชั่วโมงนี้เราบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ตลอดเวลาแล้วอายุของเราต้องกี่ปีก่ อ, อยจะตายเจ็ดสิบแปดสิบปีเบันทึกไว้เยอะนะเรื่องราวต่างๆแล้วพอเราไม่มีร่างกายเราก็เรื่องราวต่างๆที่เราบันทึกเนี้ยมาฉายดูกัน นี่แคือโลกที่เป็นอย่างนั้นเวลาที่ไม่มีร่างกายให้เราเสบรูปเสียงกลิ่นรสแบบสดสดร้อนร้เราก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่เราบันเทิงเอาไว้มาเสบแทนมีทั้งหวานมีทั้งขมมีทั้งสนุกมีทั้งหวาดเสียวหวาดกลัวมีหลายรสหลายชาติแล้วแต่เราชอบบทบาทไหนเราเวลาเราไปแสดงบทบาทของเรา มันก็บันทึกเอาไว้หมดเราชอบทำเป็นคนใจบุญเราก็ไปทำบุญเราชอบแสดงเป็นคนใจบาปเราก็ไปทำบาป mm. มันก็จะบันทึกเอาไว้แล้วมันจะมาปรากฏขึ้นมาในมโนภาพของเราในตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราตายเ <c oughs> นี่ยแล้วก็จะดูไปจนกว่าหนังมันจะหมด mm. มันจะเป็นระหว่างบุญกับบาป ถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็มีมันก็จะมีแต่เรื่องบาปเรื่องหวาดเสียวเรื่องหวาดกลัวเรื่องเครียดแค้นอาคาตพยาบาทมาฉายให้เราดูจนกว่ามันจะหมดกำลังหรือกำลังเท่ากับบุญพอบุญกับบาปเท่ากันบุญก็ไม่บุญก็เอาโมนโนภาพออกมาไม่ได้บาปก็เอาโมนโนภาพออกมาไม่ได้ตอนนั้นก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ พอได้น่างกายออกมาอันนหมามาพ่อจากท้องแม่ก็เริ่มเสพทันทีนะพอลืมตาขึ้นมาก็ร้องนะร้องอยากจะได้นูน่นอยากจะได้นี่นะความอยากมาโผล่ขึ้นมาออกมาแสดงนะพ่อแม่ก็ต้องรีบหาอะไรมาให้อยากดื่มนมอยากอยากดูอยากฟังอะไรฮต้องหาตุ๊กตาหาของเล่นมาให้ถึงจะละหยุดร้องไห้ใช่ไหมทำไมถึงเขาถึงต้องมีของเล่นกัน ก็เพื่อมาหยุดความร้องไห้ของเด็กนี่เองใช่ไหมเด็กมันร้องไห้คนก็นลาคาญองแต่พอมีของเล่นให้มันเล่นปั๊บมันก็หายร้องพอมันหิวลูบเสียงกลิ่นล้นเมื่อมันไม่สามารถหาเองได้มันก็เลยต้องร้องบอกคนที่เป็นพ่อแม่ให้ช่วยหาให้นี่ก็กลับมาเกิดใหม่ก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาใหม่เรานอนหลับยาว นอนหลับแบบเปลี่ยนร่างถึงยาวหน่อยร่างนี้พอบทลมเราก็กลับเข้าร่างนี้ไม่ได้แล้วเราก็ไปเปลี่ยนร่างใหม่เหมือนนอนหลับนอนหลับจากร่างเกา่าเวลาตื่นก็ได้ร่างร่าง่างกายอันใหม่มาเหมือนแบบการไปถ่ายร่างกายแทนที่จะไปถ่ายอวัยวะแค่หัวใจแค่สมองนี่ถ่ายมันทั้งทั้งทั้งหมดทั้งสามสิบสองอาการเลย เวลาตายก็คือเวลาที่เราไปเปลี่ยนร่างกายนั่นเองเพียงแต่ว่ามันมันว่าเสียวตรงที่ช่วงที่รอได้ร่างกายอันใหม่นั้นว่ามันจะดูหนังผีดูหนังน่ากลัวดูหนังที่มีแต่ความทุกข์วุ่นวายหรือดูหนังที่มีความสนุกสนานมีความมีความสดสวยกดงามมีแต่ความเลื่อนเลงบันเทิงใจ อันนี้อย่าหยุดเราสามารถควบคุมหนังที่เราจะดูได้เพราะเราเป็นคนสร้างเองเราเป็นคนผลิตหนังนี่เองในขณะที่เราตื่นถ้าเราอยากจะบันทึกหนังดีๆไว้เราก็ไปถ่ายหนังดีๆซิเนทำบุญสิบชนิดเนี่ยเป็นวิธีถ่ายหนังดีๆทำบุญทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรือไปช่วยสังคมด้วยวิธีต่างๆ บอยจากเงินให้โรงเรียนโรงพยาบาลเวลามีภัยพิบัติก็ไปช่วยเหลือกันเวลาทำแต่คุณทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับโลกเนี่ยเป็นบันเทึกภาพที่ดีเพราะดูแล้วมันมีความสุขมเวลาเราไปทำประโยชน์ทำความดีเรามีความสุขใจไหมในทางตรวเงินข้ามถ้าเราไปทำบาปแล้ว เ, เราสุขสุขใจมันไม่สุข ทำแล้วเราก็วุ่นวายใจกันหวาดกลัวกันกลัวจะถูกจับไปลงโทษต้องคอยอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนอเห็นตํหรวจเดินมาก็ใจเสียวควับขึ้นมานี่แหละคือการบันทึกภาพต่างๆของเราที่เราจะต้องไปดูต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายกันหรือเวลาที่เรานอนหลับกัน ดังนั้นถ้าเราอยากจะดูภาพที่ดีช่วงที่เรายังไม่มีร่างกายเราก็พยายามบันทึกภาพที่ดีนยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ทาบุญทากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมนะอย่าทำบาปนะการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการทำบาปเป็นการบันทึกภาพยนตร์ที่หวาดเสียวหวาดหน้าหวาดเสียวหวาดกลัวเป็นภาพยนตร์ที่ทุกข์นะ มีทั้งความอดอยากขาดแคลนมีความหิวโหยมีแต่ความชิบหายหายนะต่างๆดูภาพยนต์เหล่านั้นสิใช่ไหมสมัยนี้คนที่ต้องอบพยพไป้อยคอกลางทะเลจมน้ำตายในทะเลพอไปถึงแผ่นดินเขาก็จับไปรังอยู่ในค่ายอบพยพอะไรต่างๆเหล่านีา้นั่นแหะถ้าเราไปทำบาปเราก็จะบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ภาพที่มีแต่ให้ความทุกข์กับเรา แต่ถ้าเราไปทำความดีมันก็จะบันทึกภาพโยนที่ให้ความสุขที่มีแต่ความสุขทำความดีแล้วใจมีความสุขใจสบายพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เราหยุดยุติการบันทึกภาพโยนที่ไม่ดีภาพโยนที่ไม่ดีก็คือการกระทำบาปและการเสพ บ, บายามุขนี่อย่าไปเสพ บ, บายามุขอย่าไปกระทำบาป ว่ามันจะทำให้เราวุ่นวายกับการที่จะต้องคอยไปทำบาปอยากจะได้เงินคนเขาก็ต้องวางแผนนะควรจะไปป้นอย่างไรจะไปขโมยอย่างไรอยากจะเสพยาก็ต้องไปหาซื้อยามาเสพแล้วเวลาไม่มีเงินเสพก็ต้องไปป้นไปขโมยเงินมาเสพมาซื้อยาเสพ เดี๋ยวป้อนเ้เดี๋ยวก็เกิดมีการต่อสู้กันอีกมีการยิงกันอีกมีทั้งถูกยิงบาดเจ็บบ้างถูกยิงตายบ้างไม่ตายก็ไปติดคุกติดตารางอีกนั่นมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นน่ะถ้าเราไปทําบาปแต่ถ้าเราไปทําบุญไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมีแต่เรื่องดีๆอย่างนั้นทำประโยชน์ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขา นี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปเป็นการบันทึกภาพภพยนตร์ที่เราจะดูต่อไปเวลาที่ร่างกายเราไม่มีแล้วใจเรายังหิวกับรูปเสียงกลิ่นนสดอยู่มันก็จะไปดูภาพยนตร์ที่มันได้บันทึกไว้แล้วมันมาปรุงแต่งใหม่ด้วยมันปรุงกับกันภาพที่เราไปทำเขาทีนี้มันไปปรุงแต่งว่าเขากลับมาทำเรา เราให้ความทุกข์กับเขามันจะไปปรุงแต่งว่ามันเขาจะมาให้ความทุกข์กับเราเราให้ความสุขกับใครมันก็จะปรุงแต่งกลับว่าเขาจะให้ความสุ ข, ขกับเรา น, นีและเรียกว่ากดแห่งกรรมโกงกรรมโกงเกวียนทาอย่างไรเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราอย่างนั้นนี่ในขณะที่ไม่มีร่างกายเนะี่ย ขณะที่มีร่างกายก็มีการรับผลบุญผลบาปเหมือนกันมีเจ้ากรรมนายเวรมีคู่บุญใช่ไหมถ้าทําบุญเดี๋ยวก็มีคุ้นคู่บุญมาคอยสนับสนุนมาคอยช่วยเหลือเราถ้าทําบาปก็มีเจ้ากรรมนายเวรคอยมาล้างจองล้างจองผ่านเรานะขณะที่มีร่างกายก็มีขณะที่นอนหลับก็มีขณะที่ตายก็มีมีบุญมีบาปมาจัดการกับจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา จนกว่าเราจะไปเตืดอีกทีไปคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็มาเริ่มต้นเรื่องใหม่ต่อพอได้ร่างกายหม่เดี๋ยวก็เริ่มหารูปเสียงกิจลดเหมือนเดิมอีกเริ่มทำบุญเริ่มทาบาปเหมือนเดิมอีกบันทึกเรื่องราวใหม่กันอีกอีกรอบหนึ่งก็จะทำอย่างนี้กันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนวงจรเนี่ย ที่มันมีเหตุคอยผลักดันให้ทำเหตุที่ทอยผลักดันให้เราต้องมาทำก็คือความอยากของเรานี่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันไม่หายไปนะจากการที่เราไปทำตามความอยากมันก็จะคอยผลักดันดวงวิญญาณของเราให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปมันก็จะผลักดันให้เราไปหาน่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ แล้วพอได้ร่างกายใหม่ก็มาใช้ร่างกายใหม่มาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่บางทีก็เสพด้วยวิธีทำบุญบางทีก็เสบด้วยการทำบาปแล้วแต่ว่ามาเกิดในในฐานะไหนถ้าร่ำรวยมีเงินมีทองก็ทำบุญได้ถ้ายากจนไม่มีเงินมีทองก็ทำไม่ได้นอกจากทำไม่ได้อย่างต้องไปทำบาปเพราะจะได้เอาเงินทองที่ไปขโมยมา มาเสพรูปเสียงกลิ่นโน้ตามที่ต้องการนั่นเองเนี่ยมันก็จะเป็นวัตตาจักเนี้ยเขาเรียกว่าวัตตาจักวงจรอุ บ, บาทที่ถ้าตามใดมีความอยากอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะผลักดันให้เราไปเสพอันนี้พวกเสพกามเนะอีกพวกก็เสพรูปประชานพวกนี้เขาไม่เสพกามเหมือนพวกเราพวกนี้คือพวกนักบวชทั้งหลายทาไมถึงมีนักบวชไม่ว่าเราจะเกิดมาพบไหนชาติไหนจะต้องมีนักบวช เพราะมีพวกที่เขาไม่ชอบเสพการเขาชอบเสพสมาธิชอบเสพรูปประชานะรูปประชานเข า, เขาก็ไปบวชกันไปบวชแล้วเขาก็ไปนั่งสมาธิได้รูปประชานเขาก็มีความสุขได้รูปประชานเขาก็ยิ่งมีความสุขใหญ่เขาก็ติดรูปประชานะรูปปัจจานทุกครั้งที่เขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะมาบวชมามา มาฝึกสมาธิมานั่งเข้าฌานกันตอนนี้ไม่มีร่างกายเขาไม่ฝันเหมือนพวกเราไม่ฝันเพราะเขาไม่ได้ทำบุญทำบาปเหมือนพวกเราเขาจะอยู่ในในความสงบอยู่ในความว่างเหมือนลอยอยู่ในอวากาศใชอวากาศนี้ไม่มีอะไรล้อมตัวเราเลยว่างไปหมดเขาก็จะอยู่อย่างนั้นจนกว่าฌานหมดกำลังลง พอฌานเสื่อมลงเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเติมฌานกันใหม่มาเข้าสมาธิกันใหม่มาเป็นนักบวชกันใหม่ทำไมคนบางคนจึงบวชได้ตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กก็บวชได้บวชไปจนถึงวันตายเลยเพราะเขามีความสุขจากการบวชนั่นเขาไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเหมือนพวกที่ติดมีการ ม, มีมีความอยากในการเสพกาม เขาก็ไม่ต้องเสกกามกันไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีภรรยาเขาอยู่กับการทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียวเขาก็มีความสุขได้แต่เขาก็ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นพบที่สบายหน่อยไม่ไม่ต้องไปทําบาปไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปทําบุญไม่ต้องไปทําบา ทำแต่สมาธิอย่างเดียวเกิดมาก็ไปเป็นฤาษีชีไพรไปอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวชอบทําใจให้สงบไม่อยากจะยุ่งกับใครเนีพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ไปมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากจะอยู่กับความสงบความอยากจะอยู่กับความว่างก็เป็นรูปฌานอรูปฌานไป ก็จะไปเกิดในรูปภพอรูปภพแต่ก็ยังติดอยู่ในตายภพอยู่ดีเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะออกจากตายภพได้นี่ต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆ <นะ S 2> คือพระพุทธเจ้าที่เบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดที่พอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนี่เกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่างสุดๆเลยไม่อยากจะ เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเนี่ยก็จะทำให้ดิ้นรนขนขวหาหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องไปศึกษาจากพวกนักบวชพอคิดว่าพวกนักบวชนี้จะรู้แต่ก็รู้เพียงครึ่งทางรู้วิธีทาให้ความอยากหายไปได้ชัว่วคราวคือตอนที่เข้าสมาธิทำใจให้สงบ ความอยากต่างๆก็หายไปชั่วคราวแต่ไม่หายหมดพอออกจากสมาธิมาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดความอยากเสพรูปประชานรูปประชานก็กลับมาอีกเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำไงให้มันหมดไปได้เมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้าหาด้วยตนเองก็ไปเจอตายตายลักนี่เอง ไปเจอไตลักเป็นคำตอบว่าวิธีที่จะทำให้กำจัดความอยากทั้งสามได้ต้องเห็นสิ่งที่เราได้จากการกระทำความอยากว่ามันเป็นไตลักษ์ไตลักษ์คือหนึ่งมันไม่เที่ยงสองเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ใช่ไหมเวลาเราได้อะไรมาเราบอกว่ามาให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราเหมือนกับตอนที่เราได้มาใหม่ๆได้ไหมไม่ได้หรอก สุกตอนที่ได้มาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามซื้อของมาใหม่ๆโอ้ยตื่นเต้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งเริ่มเฉยกับมันแล้วนะเห็นมันจำเจซ้ำซากขึ้นมาดีไม่ดีเริ่มเบื่อแล้วดีไม่ดีเพราะเริ่มเห็นโทษนะเห็นมีความทุกข์มาแล้วต้องคอยดูแลรักษามันือซื้อของดีๆราคาแพงๆมาต้องคอยหาที่เก็บให้มันปลอดภัยฮ เริ่มเห็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเนี่ยนี่แหละต้องเห็นตายรักมันถึงจะไม่ไม่อยากจะได้อะไราะ ข, ของทุกอย่างที่เราอยากได้ที่จะมาให้ความสุขกับเราทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือทางรูปประชาหรืออรูปประชานี้มันเป็นตายรักทั้งนั้นมันต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเหมือนกับผลไมาะนะส้มเนี่ยถ้าเราไป บีบน้ำมาคั้นมากินนะพอคั้นหมดนั้นส้มก็ไม่มีความหมายอะไรน้ําหมดแล้วเนี่ยเราเอาน้าําน้ําของส้มมาคั้นมาดื่มหมดละพอหมดแล้วตัวส้มมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรของต่างๆที่เราได้เวลาได้มาใหม่ๆนี่เหมือนได้ความสุข嘛 เราพออยู่เป็นสักพักมันมันไม่สุขเหมือนเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วมันหายไปแล้วความสุขที่เคยได้จากมันถึงแม้มันยังไม่ได้หายมันก็เหมือนส้มที่ไม่มีน้ำแล้วแหละมันก็ไม่มีรสชาติเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆเราถึงอยากจะเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยใช่ไหซื้ออะไรมาใหม่ๆสักพักนึงอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์เอยรถยนต์เอยแม้แต่คนมันก็ยังอยากจะเปลี่ยนใช่ไหม แฟนคนนี้มาสักใหม่ใหมโอ้โหหลงไหลคลั่งไคร้ไปสักพักหนึ่งหายละความหลงไหลคลั่งไครความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาแทนนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่ความอยากให้เราพระให้เราต้องการหาให้มันมันเป็นไตายรักษมันเป็นอันนี้จังไม่เที่ยงมันให้ความสุขเดี๋ยวเดียวแบบควันไฟ พอมันความสุขนั้นหมดไปแล้วทีนี้กลายเป็นของจืดชืดไปกลายเป็นของน่าเบื่อไปอหรือบางทีมันหายไปมันจากเราไปมันเป็นอนัาตามันเราสั่งให้มันเป็นตามที่เราต้องการไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเหมือนกับตอนที่เราได้มาใหม่ๆไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของเก่าไป เห็นไหมเขาชอบแต่งเพลงใหม่ๆหน้าตาจุม๋มจิ๋มพอเก่าลงนี่หน้าตาไม่น่าดูซะแล้วนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ความอยากมันต้องการให้เราไปหาให้มันพอเราเห็นไตลักปั๊บแล้วก็ฝืนมันได้ไม่เอาละไม่เอาไม่อยากจะไปเจอความทุกข์เพราะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับมันทุกอยทุกพะ อ, อยู่ด้วยกัน ทุกข์เพราะจากกันเวลาอยู่ด้วยกันก็เบื่อกันเบื่อขี้หน้ากันทะเลาะกันเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนันมีแต่ความทุกข์ตงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตายรักในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะละ ก, กามาตัณหาได้ทุกครั้งอยากจะเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสพอเห็นว่าเป็นตายรักก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะต้องเจอ ก้างนั่นเองเหมือนกินปลาที่มีก้างเดี๋ยวก็ถูกก้างตาต้มคอตามปากเอาถ้าอยากถ้าอยากจะกินปลาต้องหาปลาที่ไม่มีก้างมากินสิ่งที่ไม่มีก้างก็คือความสงบความปราศจากความอยากนี่แหละคือตัวที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาก็ต้องไปเสพรูปประชานก่อนอารูปประชานก่อน แล้วพอได้รูปประจานะรูปประจานแล้วก็สามารถเลิกกรรมก ร, รมตัณหาได้พอเลิกกรรมตัณหาได้ขั้นต่อไปก็มาเลิกเสพรูปประจานะรูปประจานอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขแบบที่ไม่เกิดจากความอยากความสุขที่เกิดจากความหมดความอยากเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ ต่อไปใจก็จะสงบแบบถาวรขึ้นมาใจก็จะไม่มีความอยากที่จะมาฉุดลากรือผักดันให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในไตพบติต่อไปเพราะใจไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวกับรูปประชานไม่หิวกับอารูปประชานแล้วเพราะตัดความอยากทั้งสามได้ คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้พอไม่มีกามตัณหาก็ามไม่มีการมาเกิดในกามภพไปเกิดในรูปภพกับอรูปภพก็ต้องไปตัดรูปภพความอยากในภาวะตัณหาตัดภาวะตัณหาได้ก็มไม่ต้องไปเกิดในรูปภพก็ sings, จะไปเกิดในอรูปภพก็ไปตัดวิภาวะตัณหาพอตัด ตัญหาทั้งสามได้การไปเกิดในภพทั้งสามก็จะหมดสิ้นไปต้องใช้ตายรักเป็นตัวที่จะบอกให้ใจรู้ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นรู้ประพบก็ไม่เที่ยงไม่ถาวร อ, อรูประพบก็ไม่เที่ยงอยู่เนะอยู่ฌานอยู่สมาธิเดี๋ยวมันก็หมดกํำลังเดี๋ยวมันก็เสื่อมก็ต้องถอนออกมาพอออกมาก็ก็จะ ทุกเพราะว่ามันไม่ได้สงบเหมือนตอนที่มันอยู่ข้างในทุกกับความคิดปรุงแต่งทุกกับเหตุการณ์ที่มาสัมผัสผ่สผานทางร่างกายก็ต้องตัดความอยากทั้งหมดพออยากแล้วก็จะไม่ไปเกิดในภพทั้งสามต้องตัดด้วยตายรักต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใต้ภพนี้เอ ในในโลกนี้เราเห็นอะไรที่ทำให้เราอยากได้กันก็คืออยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราต้องเห็นพวกนี้ว่ามันเป็นตารักต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงเวลามีมันสุขเวลามันหมดมันจะทุกข์ใช่ไมแล้วมันมีอะไรที่ไม่หมดบ้างบางแย่ามันจะหมดช้าหรือหมดแล้ว หมดตอนเป็นเมื่อหมดตอนตายเมันต้องหมดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างเงินทองเนี่ยเรามีเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีวันหมดเนี่ยถ้าเราใช้มากกว่าหาได้เดี๋ยวมันก็หมดแหละยังไม่ทันตายก็หมดไปก่อนก็มีคนบางคนล้มละลายล้มละลายแล้วเป็นยังไงมีความสุขไอยากจะโดดตึกตายกันนะเพราะเงินหมด พอลืมไปไม่รู้ว่าเงินมันหมดได้มันอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้มันหมดไม่ได้เป็นอนัตตาไปสั่งว่าให้เงินทองมีอยู่ให้เรามีใช้ไปทุกวันจนวันตายนี่สั่งมันได้เปล่าไม่ได้หรอกแม้แต่มาเศรษฐีก็ยังกังวลอยู่วันดีขึ้นดีอาจจะล้มละลายขึ้นมาได้ถึงแม้จะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็ตาม พราะไม่มีไม่มีใครรูน้นะคข ว, ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดสงครามตูมขึ้นมาเงินทองที่มีอยู่ในธนาคารถูกเขาลิบไปหมดเนี่ยเป็นไปได้ไหม mm hmm. ใช่ไหมเป็นมหาเศรษฐีเขาบอกต้องเอาเงินมหาเศรษฐีไปซื้ออาวุธไปทําสงครามนะขอสั่งยึดทรัพย์ทั้งหมดธนาคารทุกธนาคารให้โอนบัญชีเข้าให้กับรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยออแล้วธนาคารจะไปกล้าฝืนหรือเปล่า ฝนก็ติดคุกไม่ติดคุกก็ถ so ูกประหารเขาใช้กฎอายการเสร็าใช้มาตาเลยสมัยนี้มีมาตาขเขาสามารถสั่งได้ทุกอย่างยึดทรัพย์ใครก็ได้บดยดใครก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ปดได้เนี่ยหละคืออนัตตาก็ใญ่ไหม ลาบยศจะละเสริญสุขนี่มันเป็นอนัตตาอย่าไปคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะถาวรรวยแล้วจะรวยไปตลอดเนี่ยเป็นใหญ่แล้วจะเป็นใหญ่ไปตลอดเนี่ยมีคนยกย่องแล้วจะเขาจะยกย่องเราไปตลอดวันดีเกินดีเขาก็มาด่าเราได้มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสวันดีเกินดีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีให้เสพ เนื้ตาหูจมูกลิ้นกายมันพิกลพิการไปตาตาบอดหูหนวกขึ้นมาก็เสพไม่ได้ให้มองอย่างนี้ให้เห็นใจรักในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตใจพบนี้ในการมาพบก็รูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญนี่เองในรูปประพบก็รูปประชานในอรูปประพบก็อรูปประชานอย่าไปเสพมัน แต่ในเบื้องต้นต้องอาศัยรูปประจานเพื่อที่จะเลิกกรมกรมกรมมาติหากันเราต้องมีความสุขที่เกิดจากความสงบมาทดแทนการเสพรูปเสียงกลิ่นน็พอเราเลิกกรร ม, มมากรรมมติหักเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นน็ได้แล้วเราก็มาติดรูปประจานเราก็ต้องเลิกรูปประจานเลิกเอาเิเลิอ ก, อเลอกอรูปประจาน พอเราเลิกได้ทีนี้เราก็จะไม่ติดอะไรแล้วเราก็จะได้นิพานแทนนิพานคือความสงบแบบไม่มีความอยากความสงบที่ไม่ได้เกิดจากความอยากความสงบที่เกิดจากการหมดความอยากคือพระนิพานแต่ความสงบของรูปฌานกับของอรูปฌานนี้เป็นความสงบที่เกิดจากภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเต่างกันตรงนี้ แต่เราก็ต้องทําเป็นขั้นตอนเป็นเครื่องมือการจะเลิกการมาตัญหาได้ก็ต้องอาศัยการมีรูปประจานะ ร, รูปประจานมาให้ความสุขทดแทนชั่วคราวไปก่อนพอเราได้พอเราเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้แล้วเรามาเสบเราก็มาติดรูปประจานะรูปประจานเราก็ต้องเลิกเสบเลิกติดรูปประจานะรูปประจานต้องหยุด พอหยุดได้แล้วจิตก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาพอละตัณหาทั้งสามได้ละกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ด้วยไตลักษ์ด้วยไตสิกขาก่อนที่เราจะเข้าถึงไตลักษ์ได้ น, นี้เราต้องผ่านไตสิกขาก่อนเราต้องมีศีลก่อนต้องปฏิบัติศีลให้ได้ก่อนเพราะเราถึงจะได้สมาธิเข้าถึงขั้นสมาธิได้ พอเราได้สมาธิเราก็จะเข้าถึงขั้นปัญญาไนดะ้ขั้นปัญญาก็คือขั้นไตรักนี่ฉะนั้ก่อนที่เราจะไปถึงไตรักได้เราต้องไปที่ไตศีกก่อนไปที่ศีนก่อนนะฝึกทําหัดรักษาศีลกันเริ่มต้นตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีนห้าแล้วก็ถือศีลแปดต่อไปรักษาศีลห้าได้แล้วก็ลองมาหัดรักษาศีลแปดตอนต้นก็เอาวันพระก่อนะ วันธรรมดาก็ถือศีลห้าวันพระ ก, ก็ถือศีลแปดพอศือวันพระได้ต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันไปต่อไปก็เปลี่ยนศีลห้าให้กลายเป็นศีลแปดไปทุกวันพอเป็นศีลแปดทุกวันก็ไปฝึกสมาธิได้ทุกวันไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบก็สามารถที่จะเอาใจที่สงบนี้ไป ศึกษาใจรักได้ไปดูอนิจจัง ท, ทุกขังอนัตตาได้ไปหยุดความอยากได้เนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องราวของพวกเรานี่มันเกี่ยวพันเกี่ยวกับเลขสามมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเลขสามอันแรกก็คือพระรัตนใจนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องเข้าต้องเจ อ, ต, อ, เจอต้องเจอพระรัตนใจ เราถึงจะรู้เรื่องของเราว่าเรากําลังเวียนว่าตายเกิดอยู่ในไตรภพและเหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่าตายเกิดกันในไตรภพก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้ถ้าเราอยากจะออกจากกามะาออกจากไตรภพเราก็ต้องกําจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาสิ่งที่จะมากําจัดได้ก็คือไตรสิกขา ก็คือศีลสมาธิปัญญาอพอเราเข้าถึงขั้นปัญญาเราก็ต้องใช้เราก็จะเจอไต่หลักเราก็ต้องใช้ไต่หลักใช้อนิจังทุกขังอนัตตาถึงจะมาทำให้เราเลิกอยากในการมาพบในรูปภพและในอรูปภพได้พอเรากำจัดความอยากทั้งสามหมดไปจากใจเราใจเราก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่สงบ สุขอย่างถาวรเป็นนิบานังปรมังสุขขังขึ้นมาทันทีไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือเรื่องราวของหมายเลขสามที่เอามาฝากท่านในวันนี้ขอความกรุณาอย่าเอาไปแทงหวยเป็นอันขาดพราะจะเจ้งอย่างแน่นอนเพราะมันจะไม่ถูก <c oughs> กันไว้ก่อนเนเดี๋ยวจะหาว่าเรามาให้หวย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 จันโทปันาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตระโยสุขีทีขาโยโกผวะ อะิวาทานสีลิตะนิจังวุธาปจายโนจตรมมารโอธรรมวาทานติอายุวนันโนสุขังภาลางังลำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม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 วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา450ย t u b บ361วิทย์ออนไลน์20รับฟังข้างบนนี้47คนรวมทั้งหมด878ครับอืคุณแม่อยากจะถามคำถามเลยฮะเชิญกยากเรียนทันท่านพระอาจารย์ค่ะว่าในรูปประพบกับรูปประพบเนี่ยคะ่ะไปนิพพานได้ไหมคะไม่ได้หรอมันติดอยู่ต้องต้องออกจากรูปประพบต้อง ต้องใช้ใจรักพิจารณาเห็นว่ารูปประชานกับรูปประชานก็ไม่เที่ยงเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสต้องไม่ติดไม่ต้องไม่ติดกับรูปประชานะรูปประชานเพราะฉะนั้นต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมคะถึงจะไปนิพพานได้อ๋อช่วงที่ที่จะไปนิพพานนี้ไปได้ถ้าไปถึงรูปภพแล้วถ้าไปไปด้วย ปัญญาถ้าไปด้วยไตรักษนี่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี้ก็จะไปเกิดอยู่ในในอรูปภพหรือรูปภพแล้วสามารถใช้ปัญญาที่มีอยู่ในใจนี้พิจารณาปล่อยวางรูปภพอรูปภพได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์คอันนี้ต้องเป็นระดับพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีขั้นที่สาม พราะท่า น, านละกามาพบได้พาะนาคามธท่านตัดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่ถ้ายังไปติดอยู่กับการเสพรูปประชานะรูปประชานอยู่ถ้าท่านตายไปท่านก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไปอยู่ในรูปภพอรูปภพด้วยสตินี้ก็ต้องกลับมาเกิดเพราะไม่มีปัญญายังติดอยู่ พอรูประพบพอพอฌานเสื่อมก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาบวชเป็นมือสีชีพลยใหม่มามานั่งสมาธิเข้าฌานใหม่ <Okay. S 1> โอเค่ะกล่าวกับพวกคุณค่ ะ, ะใช้ทางนี้ทำก็อาจารย์กะต่อเมยนไปนั่งตามสบายนะคุณแม่ <Okay. S 1> อ, อ, อาจารย์เมื่อสักครู่ตอนเบื้องต้นที่อาจารย์กล่าวถึงเรื่องของศาสนาในไตลักษ์มีเฉพาะพุทธองค์ตกถาคดของเราใช่ไหมครับที่มีไตลักษ์หมายความว่าคือการตัดสูุของพุทธเจ้าตัดสุตไตลักษ์นี่อันนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่ศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดมันก็จะมีสมถะวิปัสนาสมาถะวิปัสนาถูกแยกกันโดยเส้นเชิงเล็ก คาบเกี่ยวกันครับเช่นเปลือกนอกกับแก่นกระพีถูกแยกกันโดยเสิ้นเชิ ง, งคนละเรื่องกันสมาธิคือความสงบวิปัสสนาคือความฉลาดความสงบกับความฉลาดอข้อสามเวลาที่เราเห็นดูแบบสมมุติและก็เห็นจริงแบบปริยัตปฏิบัติปฏิเวทซึ่งการเห็นสมมุตินั้นเป็นการศึกษาแบบทั่วไปที่เราอ่านจากหนังสือเอา เป็นสมมติแต่ของจริงนั้นเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเราจะหยิบทำตรงเนี้ยเอามาสอนนักเรียนแห่งความเป็นครูได้อย่างไรซึ่งยากยากทำยังไงก็ไม่สาเร็จอาจารย์ครับก็ต้องไปเจอของจริงไงเราอ่านเรื่องความตายแต่เรายังไม่เจอความตายเราก็อาจจะรู้สึกเฉยๆกับความตายต้องไปเจอความตายมันถึงจะรู้ว่าใจเราเฉยนี่ก็มันได้จริงหรือเปล่า อย่างนั้นการอธิบายเรื่องของสมมุติที่เด็กเล่าเรียนกันมาเด็กก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนั้นว่ามันเป็นสมมติก็ยังไม่เป็นเพียงแต่ชื่อมันไม่ใช่เป็นตัวมันใช่ครับอาจารย์ข้อห้าเวลาที่พุทธองค์ได้ประหยัดใช้ผ้ากาเสวภาภักกำหนดอปาราชิกสี่แล้วมีอุตตริมนุสยธรรมซึ่งกำหนดไว้ว่าห้ามเด็ดขาด ท, ทั้งทั้งที่ได้หรือไม่ได้ครับการเผยแพร่ศาสนา เรื่องเรื่องอุตลิมนุษยธรรมเขาบอกว่าห้ามเผยเผยแผ่อุตลิมนุษยธรรมคือคําว่าอุตลิก็คือพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่มีฌานก็บอกว่ามีอ๋อเป็นการโกหกตอแหลหลอกลวงก็มีพูดได้อ๋อเี่เป็นพระหลานเขาบอกได้ว่าคนเป็นพระแล้หันไม่ผิดอ๋อที่เก่าวอยู่ในปราชิกสี่เพราว่าต้องท่องตลอดเป็นจริงที่บางคนไม่เป็นแล้วไปบอกว่าเป็นอก็หลอกลวงชาวบ้านเขา ให้เขาหลงเชื่อเพื่อจะได้ถวายลาบสักการะแต่ถ้าพระหลานท่านพูดจริงนี้ไม่ต้องการลาบสักการะท่านต้องการให้เชื่อว่ามีจริงนิพพานท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านเห็นแล้วท่านพูดไม่เหมือนกันคนที่พูดหลอกพูดหลอกลวงนี่เพื่อต้องการได้ลาบสักการะคนที่พูด สิ่งนี้ไม่ต้องการลาบส ก, การละพระพุทธเจ้าก็บอกเราเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานเราได้ถึงนิพพานแล้วนะแต่ท่านไม่ได้พูดเพื่อท่านต้องการจะได้อะไรจากพวกเราท่านมีพร้อมมากกับพวกเราท่านพูดเพื่อให้เราได้มีความศรัทธาความเชื่อว่านิพพานมีจริงพระอรหันต์มีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้เป็นพระอาหารหันต์ได้ <mm เป็นความจริงเนี่ย เราจะได้มีกำลังใจเข้าใจไงมอย่างถ้าบอกว่าไม่มีพาหลันก็ไม่รู้ปฏิบัติไปหาทำไมใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ท่องตั้งแต่สมัยเป็นนวักกะแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาเรื่องปาราชิกซี่อยู่ตลอดก็เลยว่าเอ๊ะสงสัยอยู่พอสมควรเขาเรียกว่าอวดคนวิเศษที่ไม่มีในตนค่ะภาษาตอนที่เรียนอ่อวดคนวิเศษที่ไม่มีในตัวเรามไม่มีฌานก็บอกว่ า, วาเราเข้าฌานได้ เป็นโสดาไม่เป็นไม่ไปเป็นโสดาบันเขบอกว่าเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยเรียกอุตริแต่ถ้าเป็นแล้วบอกว่าเป็นมันไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมอย่างโกก็บอกว่าผมเป็นช่างผมอะโกไม่บอกผมเป็นช่างตัดอตัดรองเท้าเลยเป็นช่างตัดผมแล้วไปบอกผมเป็นช่างตัดรองเท้าเนี่ยมันก็มันก็อุตริ ตัวสุดท้ายที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้มันสับไปสับมากูเลยงงเรื่องไตรักตัวของไตรักษณ์เป็นเป็นตัวของปัญญาปัญญาแล้วก็ตัวของไตสิกขาเริ่มต้นจากศีล ส, สมาธิก่อนใช่ต้องก่อนจะไปถึงตัวปัญญาได้ก็ต้องผ่านศีลสมาธิก่อนเนีเป็นขั้นบันไดถึงจะไปถึงปัญญาพอถึงปัญญาก็จะไปเจอตัวไตรักษเขานะ ครับคราวนี้ก็หมดคําถามห้าคาถามแล้วตัวสุดท้ายเมื่อครั้งสุดท้ายที่วังฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือความสุขเท่าหนูกับความสุขเท่าช้างพอกลับไปบ้านเรารู้อยู่ว่ามันเท่าหนูก็เท่าช้างแต่ความสุขเท่าหนูอะ มันมาแวบ ๆ, ๆ, ๆ, ๆมาจากทางจิตนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันจะจากจากเราไปได้การที่จะจัดการกับความสุขเท่าหนูแล้วไปเอาความสุขเท่าช้างเราก็ต้องยอมเสียอะไรบางอย่างที่เป็นศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์ต้องปฏิบัติให้เยอะๆต้องถือศีลแปดมันก็จะตัดความสุขทำตัวเท่าหนูได้อย่างน้อก็เบรกมันไว้พอจะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้พอจะดูหนังดูละครก็ดูไม่ได้ เรจะกินอาหารเย็ยนก็ดูก็กินไม่ได้ไปนั่งสมาธิแทนจะได้ความสุขเท่าช้างแทนตอนนี้ลูกค้าเขาจะแปลกๆว่าฟังธรรมไปวัด เ, เวลาตอบเขาแล้วเขาแปล ก, ก, กว่าไปวัดอ้าพเจ้าจารยร์ปละมังสุขขังเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปผมเรียงถูกแล้ว ว่าอะไรเป็นยังไงคราวนี้ก็เหลือแค่ว่าปฏิบัติเราก็จัดหมวดหมู่ให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็รู้ว่าความสุขเท่าหนูกับช้างเป็นอย่างไรนิพานังปลมังสุขังกับนักัสการจันทร์พี่กายอยาก็ถามวันนี้เอไม่ถามนะไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องหลอวไม่มีอะไรก็ไม่ต้องถามแสดงว่ารู้มากแล้ว ต้องเอาไปปฏิบัติแล้วนะคำถามจากผู้ฝากถามครับมีความจำเป็นต้องฉีดปลวกแมลงในบ้านแต่ไม่สบายใจจะเป็นกรรมเรื่องเจ็บปวดเจ็บป่วยไหมครับมันก็อาจจะมีส่งผลแต่ จ, จะไม่ไม่ได้เกิดจากชาตินี้ทันทีก็ได้มันอาจจะไปเป็นชาติหน้าให้ที่เกิดทันทีก็คือความไม่สบายใจซึ่งความไม่สบายใจก็อาจจะมีผลกระทบต่อ สุขภาพของร่างกายได้สุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพร่างกายมันก็จะผ่านไม่ดีไปด้วยคำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งถ้าภาวนาสมาธิมากๆโดยไม่ได้ศึกษาปริยัติเลยมีโอกาสที่จะแตกฉานในทางธรรมปริยัติได้ไหมครับสมาธิมันไม่ใช่ความรู้มันเป็นความสงบมันก็จะได้แค่ความสงบอยากจะได้ความรู้นี้ต้องเข้าสู่ระดับปัญญา ปัญญาก็มีสามระดับต้องเข้าระดับแรกก็คือสูตรธมยปัญญาก็ต้องศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกศนี่หรือพระไตรปิฎกก็ต้องศึกษาอยู่ดีแล้วถึงจะได้เอาปัญญาที่ศึกษามาทําลายกิเลสก็เรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาไปคำถามจากคุณธนากรถ้าเรา ปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่มีกิเลสแล้วครับว่าเราไม่ได้นึกคิดเอาเองอ่ะเราก็ต้องพิสูจน์เลยให้เขาตกหน้าดูเราดูด้วยว่าจะโกรธเขาเปล่าไปยาเสือดูแให้เสือมันตะปบดูแล้วดูว่าเราจะเฉยหรือเปล่าเราไปยาใครก็ดูแล้วให้ล่อให้เขามาทุบตีเราดู เราดูซิว่าเราจะเดือดร้อนเราจะกลัวไหมไปอยู่ที่น่ากลัวดูดูว่าจะกลัวหรือเปล่าเช่นไปอยู่ในป่าช้าคนเดียวในตอนคืนเนี่ยไปนั่งอยู่ในป่าช้าคนเดียวความกลัวก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งกลัวตายคําถามจากคุณพัทรวี ผมได้ปฏิบัติธรรมโดยใช้การภาวนาพุโทโธคู่กับลมหายใจปฏิบัติไปเรื่อยๆบางครั้งเกิดแสงสว่างขึ้นบางทีข่าวโพลนบางทีก็เป็นแสงกระพริบเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ไปสนใจครับผมปฏิบัติไปจนพบว่าลมหายใจเบาลงแทบจะไม่มีลมเกิดขึ้นผมกำหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูกไว้ซึ่งทุกครั้งที่ปฏิบัติมาจะเป็นแบบนี้แรกๆก็รู้สึก สดชื่นอิ่มสบายแต่ช่วงหลังรู้สึกเหมือนคล้ายๆอาการจะหลับแต่พอรู้ตัวก็เกิดอาการสะดุ้งตกใจหรือได้ยินเสียงของตกอีกทั้งบางครั้งรู้สึกปวดหัวตึงที่ขมับเวลานั่งภาวนาครับนอกจากนี้เวลานอนหลับมักจะภาวนาพุโทโธเช่นกันแต่พอคล้ายๆจะหลับก็เกิดอาการสะดุ้งตื่นขึ้นอยากทราบว่าผมกวนแก้ไขในการปฏิบัติอย่างไรครับ ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนมาเติมสติมาเพิ่มสติให้มันมีกำลังมากขึ้นนั่งแล้วมันหยุดมันไม่ก้าวหน้าต่อไปก็ลุกขึ้นมาเดินต่อแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่สลับกันเดินกับ น, นั่งไปสลับกันออกจากนั่งมาก็ลุกขึ้นมาเดินต่อคอยควบคุมใจด้วยสติทุกกิริยาบท เดินยืนนั่งนอนให้มีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆคําถามจากผู้ฝากถามการสวดมนต์เช่นบทเมตตาสูตรรัตนสูตรในคาถานั้นๆเป็นการกล่าวธรรมถือว่าเป็นบุญหรือไม่ครับบุญในข้อที่ว่านี้ถือว่าธรรมทานหรือเปล่าครับก็บุญที่เกิดจากการฟังธรรมหรือศึกษาธรรมเนี่ แต่ถ้าเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจความหมายก็ไม่ได้เป็นบุญเพราะบุญต้องคือความรู้เราก็ต้องสวดภาษาที่เราเข้าใจภาษาคำแปลของบทสวดมนต์เราถึงจะได้รู้ว่าบทสวดมนต์นี้กล่าวถึงเรื่องอะไรถึงจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาคำถามจากผู้ฝากถามทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาแตกต่างกันอย่างไรครับ ก็แตกต่างระหว่างคนบวชกับคนไม่บวชเนี่ยคนที่บวชแล้วก็ไม่ต้องทําฐานแล้วก็ทําหมดแล้วคนที่มาบวชนี่พระพุทธเจ้าบังคับให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดให้มีเพียงสมบัติเพียง8ชิ้นคืออัฐบริการบาทหนึ่งใบผ้าสามผืนที่ประคตเอวหนึ่งชิ้นที่ดะเข็มกับได้ไว้ซ่อมปะเย็บจีวร แล้วก็ใบมีดกนไว้ี่ปงผมโกงหนวดแล้วก็ที่กองน้ำดังั้นเมื่อมาเป็นนักบวชแล้วก็ถือว่าได้ผ่านขั้นฐานเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาก็คือภาวนานี่เองสมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาเงี่ยภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นสมาธิกับขั้นปัญญา เวลาสอนคาราวะาก็สอนทานศีลภาวนาไปก่อนคารวาะยังมีเงินทองยังซื้อใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็ให้เอาเงินทองที่ไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกิเลสมาซื้อความสุขจากการทำบุญแทนเพราะเป็นประโยชน์มากกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยไม่เป็นไม่ทำให้ติดนะแล้วก็ให้รักษาศีลห้าไปก่อน ถ้รักษาสินห้าได้วันพักก็ให้หัดถือศินแปดเพื่อจะได้ไปหัดภาวนาพอภาวนาเป็นแล้วรักษาศินแปดได้แล้วต่อไปก็อยากจะออกบวชก็สละทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้คนอื่นไปให้หมดแล้วก็ไปอยู่เป็นนักบวชแล้วก็ปฏิบัติศินสมาธิปัญญาต่อไปคําถามจากคุณสิริการจะเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าปรารถนามาเกิดจะต้องทําใจอย่างไรครับ เห็นทุกเนี่ยเห็นคนเวลาที่เราร้องห่มร้องไห้เนี่ยมันทำไมต้องมาร้องห่มร้องไห้กันทำไมต้องมาเครียดกับเรื่องเนี้เรื่องนี้กันก็โลกนี้มันเป็นโลกของความทุกข์เนี่ยเหมือนกองไฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองไฟมันก็ร้อนน่ะสิไม่อยู่มันทาไมใช่ไหมเราแต่ไม่ไปอยู่ในกองไฟกันใช่ไหมพอรู้เข้าไปมันร้อนอ่ะมันยังไม่ทันเข้าไปในกองไฟเข้าไปเพียงแต่รอบรอบกองไฟก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหมันร้อน โลกเรานี่มันร้อนมันเป็นโลกของความทุกข์เพียงแต่เรามองไม่เห็นหรือไม่ยอมมองมันเองหรือว่ามันพอบรรทุกพอพอมันผ่านไปก็พยายามลืมมันไปพยายามวิ่งหนาแต่ความสุขอย่างเดียวเราก็ไปเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณนกเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นที่กลางอก ตอนแรกไม่เข้าใจแต่เกิดบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆจิตบอกตัวเองว่าทุกข์ถ้าตามความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆมันทุกข์แทบน้ำตาคลอเจ้าค่ะ จิตบอกว่าทุกข์มากทั้งที่ไม่รู้ว่าทุกข์อะไรต้องกำหนดรู้จึงพอจะทนอยู่ได้และดูมันอยู่ไม่พยายามตามความรู้สึกนั้นไปอยากทราบว่ามันคืออะไรแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่าไปทราบว่ามันคืออะไรก็รู้ว่ามันทุกข์อยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเสดึงใจอย่าไปคิดถึงมันดึงใจออกมาจากกองทุกข์ด้วยการใช้คาบริกรรมพุทธโธดีกว่าอยู่กับพุทธโธดีกว่าเพราะพุทธโธมันเย็น พอจิตอยู่กับพุโทโธไปอาการทุกข์ต่างๆมันก็จะหายไปอย่าไปดูอย่าไปอยู่กับกองไฟอย่าไปเฝ้าดูกองไฟเขาหากองเย็นดีกว่าหาน้ําแข็งดีกว่าหาพุโทโธดีกว่าบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าขี้เกียจนั่งดูทุกข์มันก็ทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนะี คำถามจากคุณคุณเบญญาหากเรารู้ตัวแล้วว่าติดในรูปฌานและอรูปฌานเราควรทำอย่างไรเพื่อที่จะพิจารณาและปฏิบัติต่อไปครับก็ไม่ต้องเข้ารูปฌานไม่ต้องเอก เ, เวลาอยากจะเข้าฌานก็ไม่ต้องเข้า เ, าเดี๋ยวความอยากเข้าฌานมันก็จะหมดไปมันก็จะอยู่แบบไม่ต้องเข้าฌานก็ได้ไม่ติดฌานนะไม่ติดแต่ไม่ต้องไม่ติดกามก่อน ถ้ายังติดการเดี๋ยวออกจากฌานมันก็จะไปหากามใหม่เห็นต้องเลิกกามให้ได้ก่อนเลิกกามได้อย่างเด็ดขาดพอเลิกได้อย่างเด็ดขาดแล้วค่อยมาเลิกการติดรูปประชานนะรูปประชานคำถามจากคุณเจ็สี่เจ็ด การปฏิบัติธรรมควรทำทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิใช่ไหมครับถ้าสถานที่ไม่อำนวยเน้นนั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับอ๋อต้องทำทุกริยาบททุกการเคลื่อนไหวเลยไม่ไม่ใช่เฉพาะนั่งอย่างเดียวลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นจากเตียงนี่ก็ต้องปฏิบัตินะต้องมีสติพุโทโธนะต้องคอยควบคุมความคิดแล้ว อาบน้ำอาบทาน้างหน้าแปลงฟันก็ต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดต้องเจริญสติเนี่ยการปฏิบัตินี่คือการเจริญสตินั่นเองยันไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวถ้ามาตอนทาตอนที่นั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวสติมีกำลังไม่พอเหมือนเครื่องบินน่ะเครื่องบินมันจะบินได้มันต้องมีรันเวย์ยาวถ้ารันเวย์สั้นๆเนี่ยบินปุ๊บไปชนท้าย ที่สุดทางรันเวย์ก็ขึ้นไม่ได้ต้องมีทางวิ่ง ย, วยาวๆให้มันมีกำลังบินสูงขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันต้องฝึกสติมากๆสติเนี่ยมันเหมือนรันเวย์วิ่งบนรันเวย์ต้องควบคุมความคิดมากๆนานๆพอเวลามานั่งมันจะได้มันจะได้เข้าฌานได้เหมะนั้นพอมาเริ่มมาเริ่มสตาร์ท ต, ตอนที่มานั่งนี้มันไม่มีกาลังพอ มันก็ยังอดคิดไม่ได้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้มันก็ทําให้ใจสงบไม่ได้ยังต้องทําให้ใจใ ห, หยุดคิดก่อนที่มานั่งไม่ใช่มาทําแต่เฉพาะตอนที่นั่งอย่างเดียวคําถามจากคุณนิยาคําถามแรกทําความดีแบบไม่หลงในความดีคืออะไรครับก็ทําแล้วไม่หวังผลตอบแทนจากใข่ทําแบบปิดทองหลังพระ แล้วก็ไม่ติดกับการทำความดีคือบางทีอยากจะทำแล้วทำไม่ได้ก็ก็ไม่ทำมันเช่นอยากจะช่วยเขาเขาไม่ให้ช่วยก็ไม่ต้องช่วยบางทีอยากจะช่วยเขาไม่ช่วยกับไปโกรธเขาอีกหรืกลับไปเสียใจอีกไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปเสียใจอยากจะให้เงินเขาเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรให้คนอื่นก็ได้มีคนอื่นเขาอยากจะได้เยอะแยะเลย คำถามที่สองผู้ที่ไปถึงดินแดนพระนิพพานได้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่หรอกเป็นใครก็ได้ที่มีศีลสมาธิปัญญาคำถามที่สามถ้าเราสวดมนต์แบบแปลเป็นภาษาไทยกับสวดเป็นภาษาบาลีจะมีอนุภาพเหมือนกันไหมเจ้าคะ่ะก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ถ้าเป็นบาลีก็ได้เพียงแต่ความสงบ คำถามจากคุณจักรกิจเรื่องทุกอย่างล้วนเกิดดับอยู่ถ้ำกลางความว่างผมเข้าใจถูกไหมครับก็ไม่รู้ความหมายของทุกคนว่าหมายความว่ายอยังไงทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงไมีเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาจะอยู่ว่าอยู่ถ้ำกลางความว่างหรือไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานั่นเอง คำถามจากคุณมาโนธเข้าฌานไม่ค่อยได้ต้องทำอย่างไรครับถึงจะเข้าให้ได้ทุกครั้งต้องฝึกสติให้มากต้องฝึกสติก่อนที่มานั่งฝึกทั้งวันฝึกตลอดเวลาช่วงที่ยังไม่ได้นั่งต้องใช้พุทธโธหรือใช้การคอยบังคับใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายให้หยุดคิดแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะเข้าฌานได้ไง่าย คำถามจากคุณมาริวันการเดินจงกรมควรเดินในทิศทางไหนเจ้าคะ่ะก็ทางไหนก็ได้ที่สะดวกหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าไม่ควรเดินทางทิศเหนือใต้เท่านั้นเองแต่ไม่ทราบเหตุผลท่านไม่ได้อธิบายให้ฟังเพียงแต่ท่านพูดสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เขารบก็เลยพยายามถ้าจะเดินก็ให้เดินตามตะวันหรื อ, อย้อตะวันแต่ไม่ให้เดินขวางตะวันให้ไม่ให้เดินตามทิศเหนือทิศใต้ คำถามจากคุณนิยาคำพูดเพ้อเจ้อและหยาบคายมีลักษณะแบบไหนครับคำว่าหยาบคือสำเนียงหยาบหรือภาษาที่ใช้หยาบแล้วถ้าไม่มีเจตนาที่จะพูดคำหยาบคายแต่เผลอหลุดพูดออกไปผิดศีลไหมครับและคำพูดเพ้อเจ้อเป็นแบบไหนครับเพ้อเจ้อก็พูดเรื่องไร้สาระเรื่องไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทั้งไม่มีความรู้รที่นำ ม, มาใช้ประโยชน์ได้ เชนคุยเรื่องดินทากาเใดคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอะไรคนนั้นไปยุ่งกับคนนี้คนนี้ไปยุ่งกับคนนั้นอะไรทานองนี้เอหยาบคายก็คือคําที่คนเขาฟังแล้วเขาไม่สบายใจนะนะั่นแหละเรียกว่าหยาบค า, ายาแล้วก็ไม่มีการพังเผยแล้วการพูดมันก็ต้องมีมันก็ต้องรู้ก่อนว่ามันจะพูดมันจะพูดออกมาได้ยังไง พูดไปแล้วมันก็ถือว่าผิดผิดผิดศีลก็อพ่อพูดคำหยาบนะคำถามจากคุณพงษ์ชวนเพื่อนเพื่อนมาปฏิบัติธรรมแต่เพื่อนเพื่อนบอกว่ามีชีวิตที่ดีรายได้ดีขอหาเงินก่อนตอนแก่ค่อยมาสนใจในธรรมะถ้าเป็นแบบนี้เราควรเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ไหมครับตัวใครตัวมันไปยุ่งกับเขาทำไม <laughs> ตัวยังไม่รอดเลยไปยุ่งกับคนอื่นเขาทําไมดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างทางที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญไม่ไปยุ่งกับเพื่อนฝูงะแต่พอบรรลุแล้วที่นี้ก็ไปโปรดญาติโยมเพื่อนฝูงในวังนี่มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตามบวชกันเยอะแยะเองขอเราทําตัวเองเป็นตัวอย่างะว่าดีจริงแล้วเดี๋ยวเขาก็ตามมาเองเรายังไม่ได้ไปถึงไหนแล้วไปชวนเขาเขาก็บอกมึงก็เหมือนกับกูเลยวะอ่ <c oughs> <c oughs> เงั้นพยายามเอาทําตัวเราให้รอดก่อนนะพอเขาเราเห็นเรารอดแล้วเขาเห็นเราแฮปปี้ตลอดเวลาเขาก็จะอิจฉาเราเองอะเขาอยากจะเป็นเหมือนเราขึ้นไปเนี่ยมีอีกไหมเชิญถามต่อคําถามจากผู้ฝากถามสติกับความรู้สึกตัวเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับก็ตัวเดียวกันอะให้รู้สึกตัวรู้สึก นอกจากรู้สึกตัวแล้วต้องควบคุมหยุดความคิดด้วยให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดถึงนี้เรียกว่าสติให้สักแต่ว่ารู้ถ้ารู้สึกตัวรู้ว่ากำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสติที่ที่เหมาะต่อการทำจิตใจให้สงบนะ สติที่เหมาะกับการทําใจให้สงบต้องเป็นสติที่ไม่คิดรู้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรแต่ไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะที่รู้ว่ากําลังทําอะไรไปด้วยหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามอีกไหมคุณแม่มาก่อนเชิญไม่สบายเดินตามสบาย อาจารย์ครับพระอราหาันเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่คิดใช่ไหมคะคิดก็จะเอาความคิดมาสอนธรรมะเนี่ยเพียงแต่ไม่คิดไปทางกิเลสไม่คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงไม่คิดไปในทางความอยากต่างๆอย่าคิดคไปในทางธรรมพระพุทธเจ้าต้องใช้ความคิดในการแสดงธรรมค่มแล้วในนิพพานนี้ยังคิดไหมคะ ในนิพพานก็เวลาที่ไม่มีขันแล้วมันก็ไม่คิดเลยรู้อย่างเดียวน ะ, ะมันก็สักแต่ว่ารู้ขันหยุดทํางานไปเหมันเวลาเข้าสมาธิอย่างนี้เวลาเข้าสมาธิขันก็หยุดทํางานคก ข, ขอบคุณค่ะคําคถามจากคุณรุ่งเรืองขณะนั่งปฏิบตัติมีอาการตึงบริเวณหน้าผากถือว่ามีสติหรือไม่ครับ อ๋ไม่เกี่ยวกับการมีสติไม่มีสติเป็นการสแสดงอาการของกิเลสมากกว่ากิเลสมันไม่ชอบให้นั่งสมาธิมันก็เลยสแสดงอาการตึงเครียดต่างๆขึ้นมาตึงตรงนั้นแน่นตรงนี้ก็สแสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยเราต้องรีพุโทโธอย่าไปสนใจกับความตึงเครียดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวอาการตึงเครียดมันก็จะเบาลงไป คำถามจากผู้ฝากถามการเป็นพระเหนื่อยไหมครับเพราะมีกฎระเบียบมากมายครับกฎระเบียบทําให้เราไม่ต้องทําอะไรมันจะไปเหนื่อยตรงไหมันมีแต่ข้อห้ามการเป็นโยมมันเหนื่อยเพราะไม่มีข้อห้ามทําจนเหนื่อยเป็นพระเขบอกให้นั่งเฉยๆให้นั่งพุทโธหลับตาสวดมนต์มันจะไปเหนื่อยตรงไหนล่นมนมนะ <c oughs> มันสบาย <c oughs> คำถามจากคุณมาโนธฝึกสติต้องฝึกสักกี่วันถึงจะเข้าฌานให้ได้ทุกครั้งครับอมันไม่ได้อยู่ที่กี่วันหรอกมันอยู่ที่เข้าเข้าได้เมื่อไหร่ก็เข้าได้เมื่อนั้นะถ้าถ้ามีสติพอมันก็เข้าได้ถ้ามันไม่มีสติไม่พอมันไม่ได้อยู่ที่กี่วันอ่ะมันถ้าฝึกไปสติไม่พอสิบวันมันก็เข้าไม่ได้ ถ้าฝึกไปวันเดียวสติพอมันก็เข้าได้ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วันมันอยู่ที่ว่ามีสติมากพอหรือไม่สติต่อเนื่องหรือไม่ถ้ามีสติต่อเนื่องเพียงห้านาทีก็เข้าได้แล้วเนี่ยถ้าพุโทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรห้านาทีเนี่ยเข้าได้แล้วคิดอยู่กับพุโทโธเรื่องเดียวหรือ ด, ดูลมอย่างเดียวเนี่ยห้านาทีสิบนาทีรับประกันเข้าได้แล้ว แต่ถ้าพูดโทสองคำไปคิดถึงเพื่อนคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาพูดโทอีกสองคำแล้วก็กลับไปใหม่นั่งไปอีสิบปีสิบชาติก็ไม่เข้านีต้องให้มีสติต่อเนื่องเป็นสัปปชัญญะขึ้นมาไม่ขาดตอนหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดมาเอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต